อย่างไรดีจะสามารถที่จะบอกตัวเองว่าเลิกกังวลสถทีเนาได้อย่างไรดีค่ะค่ะมีสองประเด็นอันแรกที่เราได้พูดกันไปเมื่อวานคือเรื่องของอการมีเพื่อนดีถ้าเรามีมิร ด, ดีเนี่ยเราจะต้องคอยรักษามิรของเราผู้ประมาทเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างเขามีความทุกข์มีปัญหาอะไรเขาประมาทละใช่หมมีความกุนเครืองในจิตช่วยเขาในการที่จะออกจาก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 คุณใช้อะไรบ้างใช่ไหมแต่คนหนึ่งเขาใช้ยังไงเราใช้ยังไงมันเหตุเหตุมันเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่แล้วอะ่ ะ, อะคนที่ไม่สามารถคิดได้เนี่ยเพราะว่าเขามีอารมณ์ไปยึดติดมากทําให้เขามองไม่เห็นในความคิดอย่ยงเป็นเหตุเป็นผลคิดอย่างเป็นระบบอเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเตือนบ้างให้มาปฏิบัติสมาธิบ้างเขาเป็นคนมีศีลไหมเขามีการให้ทานรักษาศีลหรือเปล่าอย่างนี้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 อัจริยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งได้เลยอัน น, น, นีส่งมากขนาดนี้นะคะนี่เป็นอั น, นิี่ส่งของศีลอั น, นิีงส่งของการสำรวมอินทรีย์แล้วคะท่านสำรวมอินทรีย์ก็จะสามารถเป็นผู้ที่ปิดกัน้นความไม่ดีที่เข้ามาทางตาหูจมูกิีนกายได้เราก็จะเป็นผู้ที่สามารถทำให้เข้าสู่สมาธิได้ง่ายอันนี้ส่งของการสำรวมอินทรีย์นะค่ะเราก็จะเป็นผู้ที่ชื่อว่า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 ขอภัยค่ะจิตอะไรนะคะอะไรผุดพองของท่านนะค ะ, ะที่มีสมาธิผุดพองผุดพองใช่ไหมค ะ, ะจะเรียกว่าเป็นจิตประพัฒสอนใช่ไหมค ะ, ะเป็นจิตที่ประพัสสอนตั้งมั่นไม่รุนเรนน ะ, ะเป็นพระพุทธเจ้าใช้คํานี้บอกว่าเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานนะเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่ประพัฒสอนค่ะ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 ตัณหามันมีอยู่ตลอดใช่ไหมเพราะนั้นพระเจ้าจึงพูดถึงว่าอัตนหาแล้วก็อวิชามาคู่กันเสมอเพราะฉะนั้นจิตตรงนั้นเป็นจิตประพัสสนแล้วแต่ว่ามันดันกลับมาเป็นจิตที่เศร้าหมองได้อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาวิชากุณยังไม่ได้ออกเลยเขาต้องฝึกมากๆจนกว่าจะสามารถนอาอวิชาออกได้อย่างนั้นหรืงไงคะใช่ๆก็จะเป็นจิตที่ไม่กลับกำเริบอีก อ, อ๋อค่ะนะคะอัน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 ก็จะมีทำในการเจรจากับคู Sakura ่ค <Gregory> <the> ้าร <ce> ู้จักว่าตรงไหนจะมีเมตตากับเขาจิตใจเราดีขึ an ้นนะคะก็ทำให้มีเสน่ห์สำหรับในการที่ลูกค้าจะมอบความไว้วางใจให้มากขึ้นสินค้าเข้ามามากขึ้นสามารถที่จะรับมือกับ